พระพุทธเจ้าตรัสรู้กฎธรรมชาติพระพุทธเจ้าไม่เคยประกาศท้าทายว่าฉันได้สร้างอะไรขึ้นมาในจักรวาลนี้แต่พระองค์ประกาศท้าทายว่าฉันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้สิ่งที่พระองค์รู้เนี่ยมีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งสภาวะธรรม คือกายกับใจสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เรารู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้คือสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติที่มีอยู่กับโลกแต่ไหนแต่ไรมาแล้วทีนี้กฎของธรรมชาติคืออะไรคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้กฎธรรมชาติ ทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติมีความเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวและทำไมเรามนุษย์เราจึงไปเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้มนุษย์เราเนี่ยมันจองหองไปภากภูมิในชื่อของตัวเองว่ามนุษย์เป็นผู้มีใจสูงไปสำคัญว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจบาดใหญ่ แล้วเอาอำนาจของตัวเองไปเบ่งทับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อมันขัดใจเราเราก็เกิดโทมนัสน้อยใจแล้วก็เกิดทุกข์อันนี้คือกฎธรรมชาติที่พระองค์รู้และอีกอันหนึ่งกฎธรรมชาติซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์มนุษย์มีเจตนาทำพูดคิดอะไรลงไปมันสาเร็จเป็นกรรม ในเมื่อสำเร็จเป็นกรรมแล้วย่อมได้รับผลของกรรมท่านจึงมีกฎเกณฑ์ของท่านว่าวั ต, ตะวนกิเลสกรรมวิบากกิเลสคืออวิชชาความรู้ไม่จริงกรรมคือการกระทําการพูดการคิดโดยเจตนาวิบากก็คือผลจากการทําการพูด การคิดอันนั้นในเมื่อใครมีเจตนาทมพูดคิดอะไรลงไปนี่มันเป็นผลตามกฎของธรรมชาติอย่างสมมติว่าเราเผลอไปทําบาปเข้าพอนึกได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นบาปเราทําเล่นเล่นเราไม่ต้องการผลตอบแทนมันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติเพราะฉะนั้น ในเมื่อพระองค์รู้แจ้งเห็นชัดอย่างนี้ความรู้ของพระองค์นี่ไม่ใช่เพียงว่าคิดแล้วรู้นะมันเป็นสิ่งที่พระองค์ทดสอบมาด้วยตนเองเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาคิดค้นทำอะไรต่ออะไรขึ้นมาเขาต้องทดลองทดสอบให้มันแน่นอนว่ามันใช้การได้แล้วเขาสร้างขึ้นมาขายให้คนซื้อมาใช้ด้วยราคาแพง เพราะฉะนั้นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมพระองค์เกิดมาหลายภพหลายชาติบางชาติก็เกิดเป็นช้างบางชาติเกิดเป็นนกบางชาติเกิดเป็นอะไรสารพัดจีปาถะที่ไปเกิดอย่างนั้นเพราะผลกรรมอะไรจึงไปเกิดเป็นเช่นนั้นพระองค์เคยเกิดเคยตายมานับไม่ถ้วนในเมื่อพระองค์ตัดสู้แล้วนี่ ปุเพนิวาสานุสติยานกา ร, ระลึกชาติผลหลังได้มันเป็นเรื่องราวส่วนพระองค์ที่พระองค์ผ่านชีวิตมาแล้วแล้วก็นำมาสอนเรา